ออความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องศรัทธาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยศรัทธาหรือความเชื่อก็เป็นคำกล่าวของเทวดาชุดเดิมนะฮะเทวดาชุดที่ มาด้วยกันทั้งหมดเจ็ร้อยท่านจะเรียกว่าสตุลลา ป, ปกายิกาแต่ว่าท่านชายเขาม า, มากด้วยกันจะมาครบหรือไม่ครบก็ท่านไม่ให้รายละเอียดไว้แต่สรุปว่าก็ามากันเป็นกลุ่มพอมาถึงแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้ กล่าวพระคาถาต่อพระพักร์พระพุทธเจ้าแต่ว่าพระคาถาเหล่านี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นํานองคล้ายๆกับท่านไปเคยฟังเทศมาเพราะว่าเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในที่อื่นอีกเป็นนันมากหมายความมามีฐานะเป็นพระพุทธภา ษ, ษิตอยู่ในที่อื่นแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่า เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังพระบราลีใช้แต่คำว่ า, าสมัยหนึ่งพระพุาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถบินธิกาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีมันก็ทาให้เรามองไปได้สองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือเป็นเหตุการณ์ช่วงกลางถึงช่วงปลายพุทธสมัย เพราะว่าพเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันเนี่ยนั่นเป็นช่วงหลังพุทธต้นพุทธกาลหลังจากโปรดทนานาธิบดีกาเศรษฐีบรรลุกมกผลเป็นมรสดาบันล้วกว่าท่านจะไปสร้างประเชศตะวันสำเร็จแต่การเชิญพระพุทธเจ้าในมวลพระสงค์ไปประทับมันก็กินเวลาแต่ก็ท่านก็ไม่บอกเหมือนกัน แล้วก็ทำให้เรามองเลยไปว่าเทวดากลุ่มสตุลละปกายิการเนี่ยก็คงเป็นเทวดายุคต้นๆพุทธกาลเดยอกาหมายความมาตัวอาจารย์ของท่านเนี่ยก็อาจจะถวายทานแก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาหรืออาจจะเป็นภิกษุในยุคของพระกัสสปะสมะสัพุทธเจ้า อัว น, นี้ก็ทำทำทำให้เห็นถึงผลบุญผลานิสง์ซึ่งเกิดขึ้นจากการเทวดาชุดนี้อย่างที่บอกไว้นะฮะคือเขามาจากคบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษแล้วก็ได้สมาฐานศีลแต่ในขณะเดียวกันประเด็นที่เขานำมาพูดเนี่ยมีอยู่หลายประเด็นเช่นประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ทาน โดยประวัติความเป็นมาในชาติก่อนของพวกท่านเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏว่าให้ทานแต่ท่านก็ยกย่องสรรเสริญทานก็แสดงว่าเป็นการรับรู้มาจากเทวดาที่เป็นอาจารย์เราเกิดร่วมกันวิมานของเทวดาที่เป็นอาจารย์ก็อยู่ตรงกลางวิมานของท่านเหล่านี้ก็ล้อมรอบวิมานของอาจารย์ วันนี้ท่านมาพูดเรื่องศรัทธาศรัทธานั้นมีความผ่องใสเป็นลักษณะหมายความว่าจิตใจของเราเวลาเกิดศรัทธาในวัตถุในบุคคลในสิ่งอะไรก็ตามให้ลองสังเกตว่าจิตใจจะมีความผ่องใสบางทีท่านก็เรียกซ้อนกันเรียกว่าศรัทธาประสาทะความเชื่อความเลื่อมใส อาจจะเป็นตัวบุคคลอาจจะเป็นวัตถุอาจจะเป็นคำสอนอะไรก็ตามตลอดถึงเชื่อมั่นในใจตัวเองแล้วก็ลักษณะประการหนึ่งก็คือการน้อมใจเชื่อต่อบุคคลที่ควรเชื่อมานก็ถูกกำกับด้วยสติสัมปชัญญะและก็ความพยายามเพ่งพินิษก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็มีพระรัตนตรยัยเป็นต้นนะเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นเท่ากับกล่าวแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นก็ความเหล่านี้ที่จริงไปอยู่ในหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตที่เป็นหลักสูตรที่เรียนในนักธรรมยันตรีแล้วกานักธรรมชันโทก็แล้วแต่ว่าจะยกขึ้นไปคือถ้ายกไปตอนเดียวก็จะอยู่ใ น, นธรรมชันตรี ายกไปหนึ่งพระคาถาก็จะอยู่ในนครฉันโถแต่ว่าแต่ละข้อความเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในตัวของเขาเองประการแรกบอกว่าศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนพูดง่ายๆว่าศรัทธานั้นเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคน เพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ปัญญากับทุกๆเรื่องได้หรอกแต่ว่าเราก็มีสิ่งที่ควรเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อที่ไปที่มาที่ควรเชื่ออยู่เราจะเกี่ยวข้องกับใครอะไรที่ไหนยังไงก็ตามมันก็ต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นหรือในการงานอย่างนั้น แล้วก็ตลอดถึงเชื่อมั่นในตัวเราเองพันะศรัทธาจึงต้องอยู่กับเราถ้าในช่วงใดที่ขาดศรัทธาเนี่ยมันสูญเสียพลังนะเพราะศรัทธามันเป็นพละมันจะสูญเสียกำลังใจฟอวูบลงไปทันทีด้เพวาะวิกฤตศรัทธาจึงกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว เรา ล, ลอสังเกตว่าเรื่องศรัทธาเนี่ยมันมีลักษณะใกล้ๆราคะใกล้ๆโลภะใกล้ๆความรักด้วยนะครับถ้าหากว่าเขาเกิดวิกฤตคือสูญเสียความเชื่อมั่นในคนคนนั้นเราก็พบเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ก็มีเยอะคนใกล้ชิดก็เป็นคนฆ่าเจ้านายขั้นตัวเอง จนโบราณท่านเตือนเอาไว้ช้างสารงูเหา่าข้าเก่ามีรักจะเห็นว่าทั้งสี่ประเภทเนี่ยก็คนใกา้ชิดเราทางนั้นแต่ระวังวิกฤตศรัทธาซึ่งว่าอาจจะเกิดจากโทสะหรืออาจจะเกิดจากกระแวงสงสัยหรือเกิดจากการสูญเสียความมั่นใจที่เคยมีในอดีตมันเกิดหายไป ผลที่เราลองสังเกตข่าวคราวของพระที่ก็อยู่ในข่าวในทางลบนะฮะก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากคนในคือคนใกล้ชิดเป็นคนโจ์เองแต่ว่าบางรูปเนี่ยบางคนนอกไปโจดหรือถ้าคนนอกไปโจดแล้วผล ท, ท้ายจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะใดเพราะว่าเขารู้ไม่จริงอ่ะแต่ถ้าคนในโจทย์แล้วค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองเหมือนกันว่าบางทีมันเป็นเรื่องการขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์สังคมมนุษย์มันก็มีความสลับซับซ้อนเพรา ะ, ะนั้นศรัทธาจึงท่าน ไอ้ม้นมีพลังพอที่จะอย่างน้อยนี่ขจัดความไม่เชื่อแล้วขจัดความเครื่อนแปรงสงสัยคืออย่างน้อยต้องขจัดถึงวิกฤติจีจะนะครับคือถ้าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเราจะถือว่าไม่เชื่อทีเดียวคงก็ไม่ได้แต่อาการเหล่านี้มันเป็นอาการข้องใจสงสัยในบางประเด็นหรืออาจจะหลายหลายประเด็น และถ้าสธาบัคัจัดวิจิกิจฉาได้ก็จะเกิดเป็นอาการของการให้ทานก็ดีความรักก็ดีความพักดีก็ดีมันจะตามมาเป็นแถวแล้วตลอดถึงความรู้สึกที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็มีความรู้สึกดีถึงถ้าพูดในภาษาธรรมะก็เรียกว่าเมตตาบุงดีวังดี บางครั้งบางคราวส่งแสดงอา น, นิสงค์ของศรัทธาไว้ระดับสูงนะฮะระดับนิพพานก็มีสิ่งศรัทธายะติรติโอคังบุคคลจะข้ามห้วงน้ำคือสังสารวัฏได้ด้วยศรัทธาก็แสดงว่าวิธีชีวิตของมนุษย์เราศรัทธาก็ต้องอยู่ภายในจิตแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ปัญชาพุฒิระดับมาตรฐานเนี่ยสธาจะต้องเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยและในไตรสิกขาคือถ้าอย่างนี้แล้วก็เชื่อได้จะไม่ถูกโยกรอนให้สั่นไหวไปเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของพระสุรบันแต่ตาสามัญชนทั่วไปในที่จริงอย่างเอาไม่ค่อยได้อะไรหรอก เพราะบางครั้งบางคราเราใช้สิทธิเสรีภาพมากกลนเกินไปนะฮะจนในกรณีของการเผยแพร่เรื่องการลมสูตรอิปุจ้ะทรงสแสดงว่าเรื่องชี้ไม่ควรถือเอาสิบประการและเราก็จับเฉพาะสิบประเด็นตรงนี้แล้วก็นำมาพูดกัน โดยไม่มองว่าเป็นการสอนระดับจินตามยะปัญญาให้นำมาคิดแม้แต่พระพุทธํรรัะเองเพื่อผ่านจินตามยปัญญาเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เขามีปัญญาอยู่เยอะแล้วเขามีความรอบรู้ระดับสุตตานี่เยอะก็เรียนรู้มาเยอะเขามีประสบการณ์เยอะแต่เขาไม่ได้นำมาวิเคราะห์วิจัยมาคิดพินิจพิจารณาสอบทานเชียบเคียง เลยก็สูญเสียความมั่นใจในทุกกลุ่มของบุคคลที่มาพูดพระพุทธเจ้าไปรับสั่งไว้เชื่อพระองค์อย่าเชื่อคนอื่นมื่ก็จบจบเห่เหมือนเดิมนะฮะหมายความคนเหล่านั้นก็สงสัยต่อพระพุทธเจ้ามาบนเส้นทางเดียวกับ น, นักบวชรุ่นก่อนๆพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตนั่นแหละ แล้วก็มาตัดสินคำถามในปัจจุบันโดยคำถามนั้นจะส่งเสริมความคิดไปเรื่อยๆก่อยิบประเด็นที่ท่านตั้งในสงสัยมานั่นแหละเอามาให้คิดแล้วในสุดท่านก็จับหลักได้แต่ตรงนี้มันเป็นมรดกบาปซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในสังคม ต ท, ที่เสรีภาพที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้หมดเลยทุกเรื่องเลยโดยไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรและสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันอยู่ในราบใดเนี่ยเราเราไม่ได้มองตัวเราแต่ผลท้ายก็คือปิดกั้นตัวเองมันก็ขีดวงให้ตัวเองอยู่ บ า, างที่วงนั้นเราขีดเองแต่เราก็ออกไปไม่ได้ก็กลายเป็นลักษณะของอุปาทานคือยึดติดจนบาทีก็หลงตัวเองไปก็กลายเป็นปัญหาพานบางครั้งจึงต้องใช้ศรัทธาที่ส่งแสดงว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์สำเน็จ แต่มันมีปัญญากํำกัดนะอย่าลืมว่าศรัทธาไม่ใช่กระโดดลอยตัวไปแต่ศรัทธากับปัญญานั้นจะต้องมีในกรณีที่ใช้สทานำนำเนี่แสดงว่าปัญญาเราไม่มากพอที่จะนำเชนว่าคนป่วยเชื่อหมอเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นหมอ แต่ว่าขั้นตอนของการตรวจการบอกกล่าวการสั่งยาเราก็ต้องใช้ความเชื่อเพราะเราก็ไม่สามารถรู้ได้แหละว่ายานี้มันกินแล้วหายหรือไม่หายแต่ถ้าเราไม่ใช้ความเชื่อมันก็เดินไม่ได้แล้วสั่งยาพายาไปถึงบ้านเขามปวางไว้เพราะ ไม่สามารถวิเคราะห์ตัดสินได้ว่ายานี้จะรักษาโรคหายหรือไม่หายแล้วในสุดก็กลายเป็นไม่หายเพราะมไม่ได้ใช้เลยเห็นไหมบางเรื่องมันก็ต้องใช้ศรัทธาแต่เราก็รู้ว่าคนนี้คือหมอมันไม่ใช่ว่าศรัทธาไปลอยลอยอย่า ง, งนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีระบบอยู่เยอะเป็นว้แต่พวกหมอ รสมุนไพราบางอย่างซึ่งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันที่จริงสมุนไพรถ้ารู้จริงก็บำบัดโรคได้เยอะนะแตป้านาวเขารู้จริงหรือเปล่าแต่เราก็จะไม่ชัดเจนในตัวหมอแต่เราชัดเจนในตัวหมอเราก็เชื่อได้แต่ไม่ใช่ทุกกรณีนะฮะเราต้องมีประสบการณ์อะไรอยู่พอสมควร เพนท่านกล่าวต่อไปว่าหากว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่คือพูดในระดับที่เรียกว่าศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยต้องขจัดความไม่เชื่อออกไปถ้าอย่างลังเลสงสยัยอย่างเครื่องแพงยังไม่มั่นใจยังตัดสินใจไม่ได้มันก็มีปัญหาแต่ถ้าหากว่า ความไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่คือมีศรัทธาหนักแน่นมั่นคงนะฮะคือสำนวนก็ค่อนข้างจะเป็นภาษาบาลีหน่อยสำนวนบาลีพวกฮ่าสำนวนบาลีหากว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่หมายความว่าถ้าภายในจิตเนี่ยไม่เหลือความไม่เชื่อหรือความลังเลสงสัยอยู่ จากนั้นแหละสิ่งดีงามต่งตางๆก็จะเกิดขึ้นในทีน่นี้ท่านก็บอกว่าแต่นั้นบริวารยศและเกียรติยศย่อมมีแก่เขานั้นนั้นก็คือสิ่งที่พูดในปัจจุบันแต่แล้วแต่จะหยิบประเด็นนะคือเราลองสังเกตว่าอย่างคนเป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยบางทีก็มีอิสยศ เขามีบริวารโยต์ตามเงื่อนไขของตัวบทกฎหมายเช่นมากรุมนี้มีอัตรากงเม่าไทร่อธิปดีก็สามารถสั่งการอะไรได้แต่ถ้าหากว่าตัวอธิปดีมีปัญหามีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องขาดสำนึกรับผิด ช, ชอบ หรือว่าไม่เอางานเอาการอย่างเงี้ยมันก็เกิดว่าอธิบดีไม่มีเกีดยรติยศปัญหามันกระทบบริวารยศก็ไม่ศรัทธาบริวารมีแต่เ้าไม่ศรัทธาการร่วมมือก็ย่อนยานไปไม่ได้อิสรยที่เป็นใหญ่มันก็สามารถไม่สามารถสั่ดงพลังได้เพราะว่ามันเกิดวิกฤต่หัวหน้า คือถ้าส่วนหัวมีปัญหาแล้วนี่ส่วนอื่นก็รวนหมดแหละลองนึกถึงสงครามยุทเต๋อถีก็แล้วกันโดยใจว่าปัญหาพร้อมรอบเนี่ยมันก็หมายหมายความว่าพระมหาอุปราชาต้องเป็นผู้นำแต่พอพระหมหาอุปราชาขัดขาดสะายแล้ง รุนหมดอะกองทัพมันรุนหมดในสุดก็ต้องหนีกระเพสมมติว่าใครจะขึ้นสวมตําแหน่งแทนตรงนั้นมันไม่เป็นที่ตั้งของศรัท ธ, ธานะีพลังของทหารขวัญกำลังใจของทหารก็รุนเรหมดมากยังไงก็รบไม่ได้นั้นเราเห็นความสําคัญของศรัท ธ, ธา ไม่ว่าคนจะเป็นตำแหน่งใหญ่ยังไงก็ต่างแหะเป็นอะไรเนี่ยที่เราโหดในหลวงกันอยู่เยอะเพราะว่าอนณาบริษัราัศดรมีพลังศรัทธาสูงมากต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัฐบาลบางทีไม่มั่นใจตัวเองก็เรียกว่ารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ต้องอ้างบ่อยๆก็เพื่ออาศัยพลังศรัทธาที่เขามีต่อพระองค์เนี่ยก็ให้ตัวเองได้อาศัยในการปฏิบัติภ า, ารกิจรืการอ้างในลักษณะ น, นี้มันก็มีท่า น, นั้นแหละอย่างสมภารวัดไหนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตก็ลูกวัดก็ไปอ้าง คนใหญ่คนโตก็ถูกอ้างฮนะเพราะคนใหญ่คนโตที่มีคุณธรรมนั้นเป็นที่เคารพและถือศรัทธาของคนอื่นแล้วเมื่อเราแสดงว่าเราเป็นผู้ใกล้ชิดกับท่านคนเชื่อในท่านน่ะก็ไม่ใช่เชื่อเราหรอกแต่ก็ทําให้เกิดความไม่วางใจพอสมควรถึงแม้จะมีลักษณะอิงอาศรรยัยอยู่บ้างก็ธรรมชาติของสัตว์โลกนะก็เป็นอย่างนั้นน่ะ พันธเราเชืนว่าบริวารยศและเกียรติยศเนี่ยคือบริวารยศถ้าเกิดด้วยเกียติยศคือเกียติยศต้องมาก่อนถ้าเกียติยศเป็นตัวสร้างบริวารยศมันเอาใจเข้ามาได้บริวารที่สาคัญก็คือคนน่ะกำลังคนที่เราเอาใจเข้ามาได้เดียกว่าชนะใจเขาได้ มันก็จะเกิดเป็นบริวารที่มีพลังคนน้อยอาจจะทำงานใหญ่ได้ในขณะในในด้านตรงกันข้ามถ้าหากว่าบริวารไม่มีศรัทธาในตัวผู้นำคนใหญ่ก็ทำงานไม่ได้คนจานวนมากเนี่ยก็ทำงานในสาเร็จไม่ได้วันประเด็นตรงนี้จึงถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ แต่ละฝ่ายควายผู้นําก็ต้องมีสถานเชื่อมั่นในตัวเองควายผู้ตามก็ต้องเชื่อมั่นในตัวผู้นําแต่การที่ผู้ผู้ตามจะเชื่อเนี่ยผู้นําก็ต้องมีคุณธรรมหมายความมีเกียรตยิยศอิสระยศกับบริวาระยศเนี่ยเขาจะมาเอง ตามปกติเอมสังเกตว่าสิ่งสูงสูงที่สุดเดี่ยมันเกิดขึ้นมาจากพลังศรัทธาจากข้างล่างอย่างปฐมเหตุที่เกิดพระราชาคือพระเจ้าส ม, มุติราชมันก็เกิดมาจากอา น, นาปะชาราษฎรพร้อมใจกันยกท่านขึ้นมาเป็นพระราชาที่ในการต่อมาเราเรียกว่าอนเนกชนิกรสมุทรศรสมุติ เราสังเกตอะมันเกิดมาจากข้างล่างทีนี้ตราบใดที่ข้างล่างก็มีสถาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้องค์กรให้บุคคลให้สถาบันนั้นอยู่ได้เพราะวิวกฤติสถาที่จริงมันคู่กับวิกฤตปัญญาเพราะบางทีเนี่ยเราเกิดวิกฤติสถาโดยเราขาดปัญญาในการคิดในการพินิจพิจารณา เชื่อไปเลยตามปกติแล้วในกรณีของความชั่วคนอื่นเนี่ยโอกาสใช้ปัญญาน้อยเพราะมันมีริษยามันมีแข่งดีมันมีเบ็ดเบียนที่มีพลังมากแต่ถ้าในกรณีของคนดีเนี่ยเราก็มีโอกาสใช้ปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าแม้ริษยาจะกางกันอยู่ แต่ว่าการที่ยอมยกย่องใครสักคนหนึ่งมันเหตุผลมันต้องเยอะนะแต่ผลมีไม่มากพอแล้วก็ยากที่เขาจะไปยกย่องแต่ในขณะเดียวกันจุดอ่อนนิดเดียวเนี่ยเขาก็พร้อมจะตําหนิหยุดแข็งหลายจุดเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะยกย่องเราันจริงต้องใช้ปัญญาเยอะแต่ในที่นี้ท่านก็บอกว่า เป็นการแสดงประโยชน์ในปัจจุบันทีนี้การพูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจะพูดมากหรือพูดน้อยมันสมมติว่าเราจะพูดถึงผลกรรมนับไปเป็นส0บสบก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรเพราะนับจากประสบการณ์แล้วก็เชื่อมโยงจากเหตุมาสู่ผลซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนว่าสิ่งนี้มันมาจากนี้ ในทีน่นี้ท่านเทวดาท่านแสดงจากประสบการณ์ของท่านหมายความว่าท่านพบเห็นคนซึ่งเป็นเทพประบุเทพธิดาในสวงสวรรค์เนี่ยก็ไปบังเกิดในสวงสวรรค์ด้วยพลังของศรัทธาท่านก็ไม่พูดในโลกมนุษย์นะฮะเพราะว่าโลกมนุษย์นั้นท่านขาดประสบการณ์ที่จะไปยืนยัน ท่านบอกว่าเขานั้นละทิ้งสริระแล้วก็ไปสู่สวรรค์นี่เป็นการยืนยันตรงกันหมดเลยนะฮะถ้าความรู้ระดับประสบการณ์ตรงของคนที่เข้าถึงเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเรื่องของพรหมเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะงั้นจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าคนที่รู้จริงก็คือเทวดา กับพระอริยะบุคคลถ้าไม่ย่างั้นมันก็รู้ไม่จริงอ่ะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องได้อภิญญาคือมีทิพยจักษุประการจะเห็นเทวดานั้นมันต้องอาศัยทิพยจักษุ ค, กคล้ๆกับคลนแสงที่ส่งมาเต็มโลกอยู่เนี่ยถ้าเรามีจาย์เราเทียมเราก็มีถั่วทัดเราก็ับได้ แม่จะรับไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่กูจะรับได้เยอะในขณะที่ตาเนื้อเราไม่เห็นเนี่ยแต่ตาทิพย์มันเห็นคือตาโทรทัศน์ที่มันเห็นแต่ต้องอาศัยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่เรารู้รกันาการยืนยันของเทวดาเป็นการกราบทูลถึงสัจธรรมจากสัมผัสตรงไม่ใช่เล่ามาเป็นประัมป ร, รานะฮะคือเป็นสัมผัสตรงท่าน แล้วประเด็นต่อไปเนี่ยท่านก็พูดสูงขึ้นบุคคลพึงละความโกรธเสียอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นพุทธภาษิตทางนั้น น, นะนะก็แสดงว่าท่านจามาได้จามาแล้วก็ท่านก็เลือกประเด็นที่ท่านจะจะกราบทูลก็แสดงว่ากราบทูลในประเด็นที่ท่านจำแล้วท่านมีประสบการณ์ ความโกรธเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของศรัทธาได้เช่นสมมติเราคนเนี้เราเคยมีศรัทธาแต่เขาทำให้เราโกรธแล้วเราก็โกรธศรัทธามันหายไปเลยแล้วก็อาจจะเป็นปะทุสลายด้วยมันก็ดังกล่าวไว้ในตอนต้นนะฮะช่างสารงูเอาข้ากอบเมียรักเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมานะ บทเขาวิกฤตขึ้นมาก็าเกิดโทสะรแรงๆขึ้นมานี่ทำลายได้หมดเลยแล้วทำงานทำลายได้ง่ายด้วยนะฮะเพราะว่าใกล้ตัวนี่จึงเป็นเรื่องที่ที่วกวนแกการระมัดระวังเราไม่รู้ใจใครคิดยังไงเนี่ยเราไม่รู้อย่างใกล้ๆก็อินทิราเนี่ยถู ก, กทหารทำหน้าที่อรารักขายิงนะ เห็นไหมเราไม่รู้เลยว่าเขาทำเนี่ยในขณะเขาทำเป็นเป็นผู้พิทักษ์เนี่ยเราก็ไม่เด้กว่าเขาจะน่าเป็นผู้ทำลายแต่เขาก็เป็นผู้ทำลายได้หรือแค่กระจีบที่ทามิ น, นาดูที่โดนระเบิดปริซีบนี่คือเขาเข้ามาจะครองพวงมาลัยนะ มันใล้ๆกับรักเหลือเกินคารบเหลือเกินศรัทธาเหลือเกินกรองภูมอะไรให้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นกอดแล้วก็กดระเบิดผีชีพตัวเองก็ตายนะแต่ละชีพก็ตายเห็นไหมว่าคนที่ทาอันตรายได้คือคนใกล้คนไก ล, ก, ลก็ทาอันตรายไม่ได้หรอก ดังนั้นในขณะที่คนซึ่งบอกกล่าวความจริงที่ถูกต้องได้ก็คือคนกล้ก็ยังเคยได้ยินลูกศิษย์ของพระอาจารย์รูปหนึ่งพระอาจารย์เขาถูกโจดแรงนะฮะเขาก็บอกว่ามัานเป็นเรื่องแปลกที่ใครมาจากไหนก็ไม่รู้มาตะโกนบอกว่า ตัวอาจารยนมีกลิ่นเหม็นทั้งๆที่เขานั่งข้างใกล้เนี่ยทำไมเขาไม่ได้กลิ่นล่ะแต่คนก็เชื่อคนถึงตะโกนมาจากไกลอ่ะในขณะที่คนใกล้เขานั่งชินชมอยู่เห็นไหมว่าถ้ากระแสสังคมที่มันตอบสนองกิเลสแล้วมันจะขาดปัญญาในการวิเคราะห์ แลคนที่เขาห้อมล้อมเขาเคารพนับถือเขากราบกรานเขาฟังธรรมะอยู่เนี่ยทำไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยเขาจะอยู่เหรอก็แสดงว่าคนฟังนี่โง่งหมดเลยมันก็เกินไปนะฮะใครก็ไม่รู้มาถึงตัดสินก่อนอันนี้ก็คือพลังของความโกรธ อ, อาจจะริษยาจะเบียดเบียน ก็ไม่แน่หรอกเพราะงั้นต้องละความโกรธเสียแล้วก็พึงทิ้งมานะเสียมานะเรื่องใหญ่อย่างที่บอกนะมานะเป็นสังโยนรระดับเกือบจะสุดท้ายนะฮะมานะอุทจวิชาอยู่อันดับที่แปดมันอยู่ลึกมากเพราะว่ามานะบางอย่างมั น, มนละเมียดละใหม่จนไม่รู้ว่าเป็นมานะ แล้วก็ดูแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายคือมานัฐบางทีมันเป็นความหมายว่าเจ็ดอาทิตมานะเนี่ยไปเข้าใจเช่นว่าท่านมาเป็นเพียนมาจนบรรลุถึงจุดหนึ่งมันเกิดวิปัสสนูป ก, กิเลสท่านดูกิเลสมันไม่เห็นเลยอะแล้วท่านก็ไปหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทําทำความเพียนรักษาใกล้ใกล้ก็วอร์มรักษาความร้อนไปเรื่อย มันเลยไม่เย็นนาทีแล้วเข้าใจาตัวเองได้บรรู้แล้วมาน้าอย่างนี้อาจจะติดอยู่เป็นสิบสิบปีได้นะะโดยตัวเองไม่รู้เลยว่าจริงๆยังไม่ได้บรรลุหรอกแต่ว่ากิเลสมันถูกสยบไว้อย่างต่อเนื่องเราจรึงไม่เห็นอาการมันคล้ายๆกับ น, น้าที่มันใสยอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็นึกว่าน้าสะอาด ทั้งหมดแต่ที่จริงไม่ใช่มันข้องบนสะอาดแต่ก็ระวังอย่าให้ตะกอนมันขึ้นมาคือถ้าเราเทียบเหมือนกราตักน้ำในตุ่มนะฮะตักน้ำในตุ่มเนะี่ยน้ำยิ่งน้อยลงเท่าไหร่ตอนเราบัตรระวังสูงขึ้นเท่านั้นพอดีไม่ดีตะกอนมันขึ้นมาแล้วก็ดื่มไม่ได้แต่ใ น, นขณะเดียวกันถ้าตักเป็นตะกอนก็ยังไม่ขยับตัว เราก็สามารถดื่มน้ํานั้นได้บรราการสยบ ก, กิเลสในลักษณะนี้เอ่อถ้าเราไม่วิเคราะห์ตรวจสอบให้ลึกเราก็จะรู้ไม่ได้แต่มันเกิดปัญหาตรงไห น, นมันเกิดปัญหาว่าท่านต้องหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏมันเป็นความทุกข์ในสังสารวัฏเมื่อทุกข์ในสังสารวัฏมันก็เตรียมพร้อมจะรับทุกข์อื่นนะฮะเพราะว่าทุกข์จากการร ความเกิดเนี่ยนำไปสู่ความแก่ความเป็ียบความตายการพรากสารพัดเลยราแสแดงว่าท่านยังต้องเกิดอีกแม้พบชาติของท่านจะประนีตขึ้นไปแต่ว่าก็ยังเกิดอีกม า, ายประการหนึ่งนั้นเป็นลักษณะคล้ายๆสำนึกเช่นว่าขัตโยหังอิติมาโนมาณเอาบรโปรเป็นกษัตร ไม่รู้อะไรเราเหมาะควรแก่สถานภาพของความเป็นกษัตริย์ต้องต้องทำให้ได้ใครทำไม่ได้ต้องทำได้หรือมาณว่าเราเป็นส ม, มณะอย่างเงี้ยมันจะต้องทำให้เหมาะสมแก่ความเป็นส ม, มณะมาณว่าเราเป็นครูเราต้องเป็นครูที่ดีให้ได้มาณว่าเราเป็นนักเรียนเราเป็นนักเรียนที่ดีได้เนหะ็นหมคือบางทีมันบวกอะ แต่เป็นวิถีของสังคมเป็นระดับของโลกิยธรรมตอนการพูดถึงการละมาณนะเนี่ย จ, จริงมาต้องเป็นพระอราหารันต์เท่านั้นเองจึงละได้อย่างอื่นมันก็ลดทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าถ้าลดมากมันก็ดีมันเป็นอะไรเรียกสัลลหุกาวุติสัมมูลบาลีว่าสัลลหุกาวุติคือประพฤติตนเป็นคนเบากายเบาจิต ไปที่ไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเราจึงพบว่าคนนี่มันแตกต่างยังเคยพบคนบางคนเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการระดับรองนายกแล้วก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมถนนเฉยๆตอนพักเที่ยงก็ลงมากินอาหารในโรงอาหารธรรมดา เราเห็นว่ามันจะเกิดเบาจะไม่เครียดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราคาดความสานึกเนี่ยมันจะเครียดในบางกรณีเห็ น, นว่าภาชนะไม่เหมาะสมแก่สถานะของเราต้องจะกินจะอยู่จะนุ่งจะค่มจะใช้า ย, ยานภาชนะโอมันสมศักดิ์ศรีเลยก็ยุ่งไง มันกระทบเศรษฐกิจนะฮะกระทบสังคมกระทบอะไรเยอะปันธลดๆกันได้ก็ดีคื อ, อยังไงว่ามานะในรู้สึกว่าตัวเองเป็นแล้วก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นเป็นให้ชอบต้าได้ยังเป็นโลกิยะอยู่เนี่ยมันจะมีทางเป็นคุณ น, นะฮะมันเหมือนกับอะไรล่ะ คือถ้าเทียบคล้ายๆกับน้ำส้มขะายางเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันทำมันมันเป็นน้ําส้มสายชูได้คือปรุงไปเรื่อยๆนะฮะผสมน้ําไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็มีสถานะเหมือนกับน้ําส้มสายชูนี่เขาลา่าฝังนะฮะคือพวกที่ตัดยางก็ลาฝังอันก็แสดงว่าจริงๆกิเลสมันจางกิเลสจางมันเป็นคุณระดับโลกปัจจุบันระดับโลกต่อไป คือมันทำภพชาติประณีดและภพชาติประณีดที่จริงมีกิเลสทั้งนั้นฮะเพราะถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่เกิดอะแต่ว่ามันเป็นพบเป็นภูมิเป็นชาติที่ดีขึ้นประณีดขึ้นมีกิเลสลดลงมีความมีธรรมะเพิ่มขึ้นมีความทุกข์ลดลงมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วท่านบอกว่าพึงล่วงสังโยช์ทั้งปวงเสียเรื่องใหญ่เลยทีนี้ ก็แสดงว่าแสดงประโยชน์สามระดับทั่าความเราสังเกตนะฮะแสดงประโยชน์สามระดับศรัทธาดุติยาปุริสัสสะโหจิศรัทธาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคนหากว่าเป็นหากว่าความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ไม่ตั้งอยู่คือหมายความขาจัดความไม่เชื่อไปได้แต่นั้นบริวารยศและเกียรติยศย่อมมีแก่เขานั้น อันนี้เป็นทิฏฐธรรมิกาตประโยชน์จากนั้นก็เป็นสัมราริกาตประโยชน์โดยพลังศรัานั่นแหละแต่เป็นอุป ป, ปัชชะเวทนนยกรรมทำหน้าที่ไปให้ผลข้ามภพชาติทำให้จิตก็พอปสายก่อนจะดับกระดับด้วจิตทีศรัทธาซึ่งก็ตรงกับที่พระเจ้าทรงแสดงในข้อรองสุดท้ายบอกว่าไม่หลงตายแล้วก็ข้อสุดท้ายบอกว่า ตายไปแล้วบางเกิดในสุกติพออีกตะกาษ า, าหนึ่งเนี่ยบอกว่าบุคคลเพิ่งละความโกรธเสียบุคคโกรธล่าดางกิงไปแต่นอนเลยนะฮะถ้าลาล่าดาเด็ดขาดเนี่ยมันต้องเป็นระดับพระราคามีมานะระดับพระอราหันต์เพราะฉะนั้นถ้ามาสรุปอีกทีหนึ่งก็คือสังโยชน์ สังโยชน์มันก็มีอยู่ทั้งโกทะคือความโกรธแต่ว่าในระดับสังโยชน์เนี่ยเขาไม่เรียกว่าโกทะก็เรียกว่าปฏิฆะอนุสัยก็เรียกว่าปฏิฆาอนุสัยในสังโยชน์ก็เรียกว่าปฏิฆ ะ, ะสังโยชน์เพราะว่าเป็นกิเลสประเภทที่ละเอียดลงมามันก็ไม่ถึงกับเกิดขึ้นกรุงมลมจิตนะแตพ่พอเกิดขึ้นกลุงมลมจิตมันก็ปั่นเป็นก็เรียกพยาบาทไป นี่ก็แสดงประโยชน์สูงสุดซึ่งเกิดขึ้นจากการละสังโยชน์ทั้งปวงแล้วกิเลสเป็นเครื่องเกี่ยวข้องจริงถ้าดับสังโยชน์หมดมันก็ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเกี่ยวข้องหรอกแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลาย แล้วต่อไปก็จะพูดเป็นนิโรธนะฮะจะพูดเป็นนิโรธบอกว่าโดยสภาพจิตอย่างเงี้ยสภาพจิติผ่านการปฏิบัติพัฒนาการมาจนถึงกระล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสด็จได้แล้วกิเลสเครื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหลายย่อมไม่เกาะเกี่ยวบุคคลผู้นั้น หมายความว่าไอ้กิเลสที่มันเคยมีเนี่ยคือบทว่าราหังต้องฟังลองสังเกตบทว่าราหังที่แปลว่าไกลอะ่ะก็หมายความลักษณะอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผุดระพัธรรมารมมันก็มันก็น ก, กระทบนะฮะกะระทบตาหูจมูกลิ้นใจแต่ว่าเพราะว่าท่านดับสังโยชน์ได้แล้วกิเลสอารมณ์มันก็สักแต่ว่าอารมณ์ะมันก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผุดระพัธรรมารม แต่ท่านไม่มีความยินดียินร้ายมันจึงไม่มีเวทนาไม่เวทนาก็ไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปาทานไม่มีอุปาทานก็ไม่มีพบไม่มีชาติมันก็ไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าต้องฟังหลอนสังเกตว่ามันคล้ายๆกับตอนมงคลรสสูตรข้อสุดท้ายเป็นแสดงสภาพจิตที่สัมผัสนิโรดนิโรธสัต์ ส, สัมผัสนิพานก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะสัมผัสวิมุตต์ก็ได้นิพานก็ได้วิสุทธ์ก็ได้สันติก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกท่านก็ประการผลบอกว่ากิเลสเป็นย่อมไม่เกาะเกี่ยวบุคคล น, นั้นหมายความกิเลสเป็นเครื่องเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเพราะมันไม่มีอ่ะไม่มีภายในใจของท่านเพราะอารมณ์ข้างนอกมันก็สับไปวาอารมณ์ อย่าได้ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับแรงวันหยดไข่ใส่ในหินในกระจกไอ้กระจกมันไม่มีเชื้อหน้าว่ะหยกก็หยดไปไข่ก็ตายหมดมก็ทำอะไรไม่ได้ผลจิตที่เข้าถึงจุดสมบูรณ์อย่างนี้ก็จะไม่มีกิเลสที่เข้าไปเกาะเกี่ยว แล้วแม้แต่จะมีอารมณ์มากิเลสก็จะไม่ผูกขึ้นเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ฟูขึ้นผู้ไปเกี่ยวข้องในนามารูปนามารูปก็สักแต่ว่านามารูปสมบับท่านนามารูปก็คือบทสรุปโลกสัมผัสทัท้งหลายละเอ็ยว่าขันห้าเนี่ยยกเว้นแต่รูปนอกนั้นก็เป็นนามอายตนะหภายในหภายนอก 6. ห5หข้อแรกทั้งสองด้าน ทั้งรูปเสียงกจิตรถปวดตาพระและทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นรูปแล้วก็ทํามารมกับตัวจิตแต่มันเป็นนา ม, มนั้งหมดแล้วโลกมันก็หมดแล้วก็คือมีเพียงแค่รูปนามก็แสดงว่าเทวดาตัวนี้ไม่เบานะก็เป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่ว่ามีความลึกซึ้งมากแสดงว่าจําทรงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ ไม่มีเกลเลตเป็นเครื่องกังวลอันนี้ก็คือคือลักษณะของจิตจิตของเป็นการแสดงพุทธคุณนะอรหันตคุณนะแต่ว่าเน้นที่อะไรเน้นที่บริสุทธิคุณกับเน้นปัญญาผู้ไม่เกี่ยวข้องในนามรูปเนี่ยแสดงว่าจิตบริสุทธิ์จากตัณหาอวตาานแล้วก็ ผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลแสดงว่าบริสุทธิ์อันนี้พึงสังเกตนะว่าพระพุทธคุณทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ข้อก็ตามจะแสดงจะมีตัวเน้นให้เราเห็นว่าเน้นนี่กรุณานะนี่บริสุทธนะิ์นานี้ปัญญานะคล้คายๆกับนโมทศ พ, พระกัตโตระตโตสม า, ส, มาสุทศเนี่ยเราเห็นว่าพระกัโตเน้นที่กรุณาคุณ อรหะโตเน้นที่บริสุทธิคุณสมาสพุทธะเน้นที่ปัญญาคุณเอานว า, าระคุณก้ามันก็คือกันเนะ่เพราะนั้นคือสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดภายในจิตของพระราหันกับพระพุทธเจ้าก็คือปัญญาบริสุทธิ์กุณาซึ่งเมื่อคุณเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใครก็ตามกิเลส ท, ที่มีชื่ อ, อยางไงก็ช่าง จะอันตรทานไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็จะไม่กำเริบขึ้นมาไม่ว่าอารมณ์โลกจะเป็นยังไงวิปริตแปรผันยังไงยัวยุยั่วยุยัวยุยวนยังไงมันก็สักต่วนามรูปนะมขูคุกคามเป็นให้บังเกิดโทสะก็ไม่เกิดโทสะ โยโย่ให้เกิดความกำหนัดก็ไม่ควาความกำหนัด ค, มค่มขูให้เกิดความกลัวก็ไม่กลัวนะมอง ม, ม, มให้เกิดความหลงก็ไม่หลงคือหมายความว่าเราห้ามคนไม่ทำไม่ได้เราแต่ว่าใจท่านเป็นอย่างนี้โดยอัตโนมัติมันจะไม่หวั่นไหวแบบภูเขาศิลาแทงทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดผ่านมาจากทิศทั้งสีน่เ